ขอเพิ่มเกร็ดความรู้ปลีกย่อยอีกเล็กน้อยว่าภาวิตะกายคือผู้มีกายที่ได้พัฒนาแล้วหรือผู้มีกายยัคภาวนานี้ที่ได้อธิบายว่าได้พัฒนากายด้านการสื่อกับโลกทางอินสีห้าหรือด้านการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นบางทีอธิบายได้อีกนัยยะหนึ่งโดยขยายความหมายของกายในข้อนี้ออกไปหมายถึงการสื่อสัมพันธ์กับโลก ด้านกายภาพหรือด้านวัตถุทั้งหมดถ้าขยายความหมายของภาพิตะกายออกไปอย่างนี้ก็ปรับความหมายของภาพิตะข้อที่สองคือภาพิตะศีลให้เข้าคู่กันเป็นว่าภาพิตะศีลคือผู้มีศีลที่พัฒนาแล้วหรือผู้มีศีลภาวนาหมายความว่าได้พัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์หรือการติดต่อเกี่ยวข้องแสดงออกทางสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยดี ร่วมมือสามคัคคีและเกื้อกูลกันการให้ความหมายภาวิตากายและภาวิตะศีลอย่างนี้โยงไปถึงหลักการจำแนกศีลเป็น4หมวดหรือสประเภทที่เรียกว่าปาริสุธทธิศศีลหรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล4ประการคือ 1. ปาติโมกสังวรศีลศีลคือการสำรวมระวังตั้งอยู่ในปาติโมกอันเป็นวินัยแม่บทของสงฆ์ 2. อินสียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินรีรับรู้เช่นดูฟังอย่างมีสติให้ได้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ไม่ถูกอกุศลครอบงำ 3. าอาชิวะปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชิวะเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตชอบธรรม 4. ปัจจัยปฏิเสวนศีลหรือ ปัจยะสันนิสิตศีลคือการเสพใช้สอยปัจใจสีด้วยปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายให้ได้ประโยชน์ตามความหมายและคุณค่าที่แท้ของสิ่งนั้นรู้จักประมาณบริโภคแต่พอดีไม่บริโภคด้วยตัณหาส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือกับวัตถุกับธรรมชาติก็อยู่ในภาวิตากายส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมก็อยู่ในภาวิตศีลทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เยินเยอะขอพูดถึงแต่ย่นย่อเพียงเท่านี้